บุญยังรักษาพวกเรานะอยู่รอดมาได้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะไม่โลกไม่แน่นอนเนะโลกไม่แน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ไม่สมเหตุสมผลก็เกิดไดนะ้ในโลกเป็นอย่างนี้แหละเราสร้างพวกเรามาเองอยู่วัดก็ดีนะไม่มีโทรทัศน์ดูมีหนะังสือพิมพ์ ไม่รู้เรื่องเท่าไหร่สบายรู้เรื่องมากก็ทุกเยอะเครียดเราเลือกไม่ได้นะไม่บางอย่างนะมันอยู่นอกเหนือการคอนโทรลของเราเองมีตัวแปรที่คุมไม่ได้เยอะแยะไปหมดเลยอย่างเราทำธุรกิจนะก็มีตัวแปรที่คุมไม่ได้อย่างเศษรษฐกิจโลกนี่เราคุมไม่ได้ ราคาวัตถุ ด, ดิบซื้อมาจากเมืองนอกคุมไม่ได้น้ำมันน้ำมันหนึ่งสถานการณ์ภายในอยู่ๆก็คุมไม่ได้มันมีของที่แปรปลวนนอกเหนือความคิดเหล่านี่ยเยอะงั้นชีวิตเรานะพร้อมจะเจอปัญหาปัญหาที่หนักๆ ก, ก็คือปัญหาที่เราคุมไม่อยู่นั่นแหละงั้นเราจะเตรียมความพร้อมสองส่วนนะ อันแรกเลยต้องมีทำธุรกิจอยู่กับโลกอะไรเนี่ยต้องมีข้อมูลข่าวสารทิ้งไม่ได้หรอกต้องรู้ต้องพยายามปรับตัวให้ไวๆอย่าโลภมากโลภมากปรับตัวไม่ทันอีกอันหนึ่งก็ปรับใจเตรียมใจไว้ทั้งๆที่ทำดีที่สุดแล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่นอกเหนือการบังคับเยอะเลยนึกไม่ถึงเยอะเลยอย่างคราวก่อนปิดสุวรรณภูมินะคนก็ปลูกกล้วยไม้อะ เลี้ยงอยู่ตั้งหลายปีนะมันไม่งามปีนั้นมันงามตัดดอกจะส่งขายออกไม่ได้อะ่ะโอ้หน้าสงสารจังทนะีนีนมน้มันมีเรื่องที่เราคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเนะนี่ยนอกจากเตรียมข้อมูลเตรียมในการปรับตัวทางโลกแล้วทางใจเราก็ต้องเตรียมความพร้อมหนะลวงพ่อไม่ได้สอนศาสตร์แห่งการปรับตัวทางโลกหรอกนะ สอนศาสตร์ของการปรับใจตัวเองไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราต้องอยู่ให้ได้วันหนึง่งอาจจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปยังเหลือชีวิตอยู่ทายังไงจะมีความสุขได้ต้องถึงขนาดนี้นะเอาแน่ไม่ได้นี่วันดีคืนดีกลับบ้านไปจากทำงานกลับบ้านบ้านโดนเผาไปแล้วทำไงนะหรือคนในบ้านไปเดินเล่นโดนลูกระเบิดตายไปแล้วทำยังไง อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วในยุคนี้คือศีลธรรมมันเสื่อมมากท่านพุทธทาสท่านตะโกนมาหลายสิบปีก่อนนะบอกศีลธรรมไม่กลับมาโลกาเวินาทสิ่งที่เรียกว่าโลกาโลกก็คือสัตว์โลกนี่เองคนทั้งหลายหมู่สัตว์ทั้งหลายนี่เองพิณาทเองนะงั้นเราเตรียมใจของเรานะาอะไรเกิดขึ้นเราต้องอยู่ให้ได้พระเยซูก็สอนดีสอนดีเหมือนกัน บอกว่าอะไรนะร่างกายสำคัญกว่าเสื้อผ้าชีวิตสำคัญกว่าอาหารสันดีนะรู้ว่าอะไรเป็นหลักอะไรเป็นรองอย่างน้อยพวกเรามีกายมีใจอยู่นี่มีกายมีใจอยู่สมมติเราสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปวันดีคืนดีหรือวันเร็วคืนเร็วคนในครอบครัวเราเป็นไรตายไปหมดเลยก็ได้นะบ้านเราถูกพังไปหมดแล้วมีกายกับใจเหลืออยู่เนี่ยทายังไงจะไม่ทุกข์ พระพุทธเจ้าสอนเราตรงนี้นะเป็นมรดกเป็นของซึ่งไม่มีใครแย่งไปได้เลยธรรมะเนี่ยถ้าใจเราเข้าใจธรรมะแนละ้วใจอยู่กับธรรมะแนละ้วไม่มีใครแย่งเราไปได้ไม่เหมือนของอื่นๆไม่เหมือนคนที่แวดล้อมเรานะวันหนึ่งถูกคนอื่นแย่งไปทุกวันนี้ก็แย่งเกินวุ่นวายเห็นไหมสามีถูกแย่งภรรยาถูกแย่งมีผู้หญิงบางคนรู้จักกันนะถ้าเป็นบ้าเลยร้องไห้สามีถูกแย่งไป แกบอกว่าแกหมดทางสู้เลยเพราะคนที่แย่งแกไปเป็นผู้ชายสามีแกถูกผู้ชายแย่งไปนะแกบอกหนูไม่รู้จะสู้มันยังไงนะจนปัญญาเนี่ยเรื่องอย่างนี้เขาเกิดได้แต่ธรรมะนะไม่มีใครแย่งเราไปได้นะถ้าเราเข้าใจธรรมะอยู่ที่ใจเราแล้วเนี่ยมันไม่มีใครเอาไปนี่นเราเรียนธรรมะให้ดีศึกษาธรรมะให้ดีถึงจะสูญเสียทุกอย่างเราจะไม่สูญเสียธรรมะนะ การฝึกฝนใจของเราไวให้ดีวิธีที่ให้ธรรมะเข้ามาอยู่ในใจเรานะคอยรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนนะอย่าใจลอยเราใจลอยมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรเลยนะพยายามรู้สึกตัวบ่อยจิตใจหนีไปแล้วรู้หนีไปแล้วรู้มันหนีไปทำอะไรส่วนใหญ่มันหนีไปคิดนะสังเกตไม้จิตหนีไปคิดเกิดบ่อยรอกลงมาจิตหนีไปทาอะไรหอกจากคิด ไปทําอะไรตอบได้ไหมเอาแล้วสิฮะหนีไปดูนี่มีคนตอบได้หนีไปดูเกิดถ้าเข้าตาบอดไม่ใช่หนีไปดูละต้องหนีไปฟังใช่ไหมเนี่ยจิตนะธรรมชาติของมันนะมันหนีไปตลอดเวลาเลยให้เราคอยรู้ไว้นะจิตหนีไปแล้วคอยรู้จิตหนีไปคอยรู้หนีไปดูก็รู้หนีไปฟังก็รู้หนีมากที่สุดคือหนีไปคิดถึงตาบอดก็ยังคิดได้หูหนวกก็ยังคิดได้ แก้ ใ, ใจมันคิดทั้งวันให้เราคอยรู้ทันจิตที่แอบไปคิดบ่อยๆนะถ้ารู้ทันไปเรื่อยๆๆในสุดจิตไหลไปคิดแวบเรารู้สึกตัวขึ้นมาได้ความรู้สึกตัวจิตที่รู้สึกตัวคือจิตที่มีสมาธินะจิตมีสมาธิคือจิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนะไม่ลืมเนื้อลืมตัวถ้าจิตลืมตัวหลงไปไนะหลไปฟุ้งซ่านไปมันจะลืมตัวเองลืมกายลืมใจนะไม่ตั้งมั่นอยู่ที่ตัวเอง ถ้าเราค่อยๆฝึกนะจิตเราไหลไปคิดเรารู้ไหลไปคิดเรารู้ mm hmm. กรรมฐานอันแรกที่ให้กับพวกเราก็คือให้รู้ทันจิตตัวเอง mm hmm. หัดไปหัดพุดโทโธก็ได้หัดรู้ลมหายใจก็ได้หัดรู้ท้องพองยุกก็ได้ mm hmm. ใครเคยทากรรมฐานอะไรนะท mm hmm. ้าถนัดนะก็ทําต่อไม่ห้ามนะ mm hmm. ไม่ใช่มาเรียนกับหลวงพ่อแล้วทุกคนต้องมาทําเหมือนกันหมดไม่มีใครเหมือนใคร กรรมฐานนี่เป็นเรื่องเฉพาะตัวนะทางใครทางมันคนไหนเหมาะกับกรรมฐานอะไรใช้กรรมฐานอันนั้นไม่ดีไม่เร็วไปกว่ากันนะงั้นถ้าไปคิดว่าของเราดีของคนอื่นเร็วนี่เข้าใจผิดแล้วภาวนาผิดและไม่ล้างกิเลสจะกลายเป็นว่ากิเลสหนากว่าเก่านะงั้นเราเคยหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็หายใจไปเคยพุโทโธก็พุโทโธนะเคยดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบไปแต่ปรับนิดหนึ่ง ไม่ใช่ดูท้องพ่องยุบเพื่อจะเห็นท้องพองยุบไม่ใช่พุทโธเพื่อจะพุทโธไม่ใช่หายใจเพื่อจะรู้แต่ลมหายใจเราไม่รู้โลกข้างนอกลองปรับการปฏิบัตินิดหนึ่งนะการที่เราหายใจไปแล้วจิตไปอยู่ที่ลมพุทโธแล้วจิตไปอยู่กับพุทโธดูท้องผ่องยุบแล้วจิตไปอยู่ที่ท้องเป็นการทำสมถกรรมฐานะจิตสงบจิตไม่หนีไปแนวอารมณ์อื่นจิตอยู่ในอารมณ์เดียว ได้สมถะนะได้ความสงบมีความสงบมีความสุขนะจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาถามว่าดีไหมดีแต่มันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูถ้าเราไม่มีสมาธิชนิดนี้เราจะเดินปัญญาไม่ได้นะเพราะเราต้องฝึกสมาธิอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาใช้กรรมาฐานเดิมนั่นแหละ หายใจเข้าพูดออกโทอะไรก็ว่าไปนะหายใจก็รู้สึกพุดโทก็รู้สึกดูท้องพองยุบก็รู้สึกนะคอยรู้สึกตัวไว้อย่าให้ใจลอยอย่อยาให้เคลิมเช่นเราหายใจนะหายใจออกหายใจเข้าไปเรื่อยเห็นร่างกายนี่หายใจใจเป็นคนดูนนะร่างกายหายใจใจเป็นคนุณดูพอใจแอบไปคิดเรื่องอื่นลืมการหายใจก็รู้ทันรู้ทันว่าโอ้หลงไปคิดแล้วนะ ต่อไปหายใจอีกมันหลงไปคิดอีกรู้อีกจนกระทั่งจิตเนี่ยมันจําสภาวะที่หลงคิดได้พอจิตจําสภาวะที่หลงไปคิดได้พอจิตหลงไปคิดต่อไปพอหลงไปคิดปับ๊บสติจ ะ, ะระลึกขึ้นเองว่าหลงไปคิดแล้วทันทีที่สติรู้ทันว่าจิตไหลไปคิดจิตหลงไปคิดนะจิตจะเลิกไหลจิตจะตั้งมั่นขึ้นมา นั้นการที่เราคอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดนี่นะเราจะได้สองอย่างได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิสติเกิดจากจิตจําสภาวะได้แม่นนะจิตหลงไปคิดแล้วก็รู้หลงไปคิดแล้วรู้รู้บ่อยๆต่อไปไม่ได้เจตนาจะรู้พอใจไหลไปคิดแวบมันรู้ขึ้นมาเองนะมีสติสติเป็นเครื่องระลึกรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในกายอะไรเกิดขึ้นในใจ เช่นความโกรธเกิดขึ้นคนไหนโกรธบ่อยๆหันดูไปใจโกรธก็รู้ใจโกรธก็รู้ต่อไปไม่ได้เจตนาจะรู้พอมันโกรธขึ้นมาสติระลึกได้เองนี่เรียกว่ามีสตินะแต่การที่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดเนี่ยไม่ได้ได้สติอย่างเดียวจะได้สมาธิด้วยนี่เป็นเรื่องแปลกเพราะอะไรเพราะจิตที่ขาดสมาธินี่เป็นจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ไหลไปถ้าเมื่อไร่เรามีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปนะจิตก็จะไม่ไหล จิตที่ไหลไปนะเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านเป็นอกุศลถ้าเมื่อไรมีสติรู้ทันอกุศล น, นะสติเกิดเมื่อไร่ันอกุศลมันไม่เกิดหรอกนะถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปนะการไหลมันดับไปเองนะงั้นเราคอยรู้ทันนะจิตไหลไปเราคอยรู้ไหลไปคิดนั่นแหละมากที่สุดลองลงมาก็ไหลไปดูไหลไปฟัง ถ้าเมื่อไหร่จิตไหลไปคิดเรารู้ทันนะจิตจะตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดเกิดความรู้สึกตัวที่หลวงพ่อบอกว่าจิตตื่นจิตตื่นคือจิตที่มีทั้งสติมีทั้งสมาธิจิตใจอยู่กันเนื้อกับตัวจิตใจตั้งมั่นพอจิตตื่นแล้วตั้งมั่นแล้วไม่อยู่เฉยบางคนพอใจอยู่แค่นี้จิตสงบจิตตั้งมั่นจิตรู้จิตตื่นจิตเบิกบานพอใจอยู่แค่นี้ไม่เดินต่อ แค่นี้ไม่พอนะพ้นทุกข์ไม่ได้จริงหรอกมันข่มความทุกข์ได้ชั่วคราวเพราะจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตสงบอยู่มีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวอยากพ้นทุกข์ถาวรต้องเดินปัญญาแต่ก่อนจะเดินปัญญาได้จิตต้องตั้งมั่นมีสมาธิตั้งมั่นแบบผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่ตั้งมั่นแบบสมถกรรมฐานทําสมถะอย่างเดียวนะได้สุขได้สงบจิตเป็นนิ่งๆอยู่ในอารมณ์อาจจะไหลไปได้นะ รู้ลมหายใจแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจได้ความสุขความสงบนะพอไหลไปอยู่ที่ลมนานๆนะลมจะสั้นขึ้นเรื่อยๆแต่ไปเหลือลมอยู่ที่ปลายจมูกนิดเดียวดูอยู่ที่ปลายจมูกไปเรื่อยๆนะมันคือการเพ่งกสินกสินอะไรกสินลมนะกะสินเนี่ยเพ่งนานๆแล้วจะเกิดดวงสว่างขึ้นมาดวงสว่างนะพอได้ดวงสว่างแล้วก็มาดูดวงสว่างต่อนะเรียกว่าปลุกคาหานิมิตนะเนี่ยเดินสมถะจะเดินอย่างนี้ ไปดูนิมิตเอานิมิตเป็นอารมณ์ได้สมถะนะเดินวิปัสสนานีจิตไหลไปเรารู้จิตไหลไปเรารู้นะทำสมถะเนี่ยจิตไหลเข้าไปไปเกาะอยู่ในอารมณ์มันเดียวแนละดีนะแต่ถ้าจะเดินสมาธิเพื่อจะฝึกวิปัสสนานีอย่าให้จิตไหลไปให้เรารู้ทันจิตที่ไหลไปจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาหลวงพุทธเทศสอนเรื่องนี้มานานนักหนาแล้วไม่ใช่หลวงพ่อเป็นคนแรกที่สอนเรื่องนี้นะ ที่จริงครูบาอาจารย์ท่านคงสอนเรื่องนี้มาทุกองค์แต่ว่าสัมนวนโมหานต่างกันอย่งหลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่เทศเหมือนกันหลวงปู่เทศท่านสอนคําอยู่สองคำคือคําว่าสมาธิกับคําว่าฌานนะสมาธิเนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะฌานเนี่ยจิตไหลไปเพ่งอารมณ์นะไหลไปเพ่งอารมณ์ถ้าไหลไปเพ่งอารมณ์นะได้แต่ความสงบนะถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยพร้อมที่จะเดินตัญญาทำวิปัสสนาต่อนะ นพอจิตใจเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้เรามาเดินปัญญาต่อนะค่อยๆสังเกตลงไปร่างกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูถ้าไม่เดินปัญญาต้องเดินแบบนี้การเดินปัญญานั้นขั้นต้นที่สุดเลยนะต้องหัดแยกรูปแยกนามแยกรูปประธรรมกับนมามธรรมออกกันการจะเดินปัญญาอยู่ๆไม่ใช่เดินปัญญาด้วยขันหทั้งก้อนอย่างนี้เดินไม่ได้ เราต้องแยกขันห้าเป็นส่วนๆก่อนรูปส่วนรูปเวทนาส่วนเวทนาสังขารที่เป็นกุศลอกุศลส่วนของสังขารจิตส่วนของจิตนะต้องแยกขันให้ได้ก่อนพอแยกขันได้แล้วขันแต่ละขันจะแสดงไตรลักษณ์ให้เห็นจะสอนให้เราเห็นโดยอัตโนมัติว่าไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเรานะแต่ถ้ามันรวมขันห้ามารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ยนี้เราจะเกิดสำคัญมั่นหมายจะมีสัญญาเข้าไปหมาย ว่านี่คือตัวเรานี่คือตัวเรานะงั้นเราหัดแยกวิธีหัดแยกทำยังไงนั่งสมาธิไปนั่งไปแล้วเห็นร่างกายเนี่ยมันนั่งอยู่ใจเป็นคนดูอย่างนี้ก็ได้หรือเดินชงกลมอยู่เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนอนยกเว้นนะนอน and and เดี๋ยวนอนแล้วบอกใจเป็นคนดูแป๊บเดียวมหลับละแล้วยืนอยู่ก็รู้สึกนะเห็นร่างกายยืนใจเป็นคนดูนั่งอยู่เห็นร่างกายนั่งใจเป็นคนดู เดินอยู่เห็นร่างกายเดินใจเป็นคนดูเหมือนเราดูคนอื่นเดินนะหรือหายใจออกหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าจิตใจเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่เห็นร่างกายพองร่างกายยุบจิตใจเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ใช้กรรมฐานเดิมที่เราเคยฝึกนั่นแหละนะใครเคยรู้อิริยาบท4ก็รู้อิริยาบทสี่แต่รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมา ใครเคยดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบไปแต่จิตไม่ไหลไปอยู่ที่ท้องจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นร่างกายมันพ่องยุบเวลารู้มจะรู้กว้างๆนะรู้ทั้งตัวไม่ใช่รู้แต่ท้องถ้ารู้เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งโฟกัสลงไปที่ใดที่หนึ่งนั่นคือการเพ่งนะคือการเพ่งคืการทําสมถะนะถ้าเราไม่เพ่งเราไม่โฟกัสลงไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งเรารู้ตัวโปร่ปงโปร่งรู้ตัวสบายสบายรู้ตัวทั่วพร้อม รู้ตัวทั่วพร้อมไม่ใช่แปลว่ารู้ทั้งตัวนะบางคนบอกรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยเอาจิตเลื่อนขึ้นมาไว้บนหัวนะแล้วบอกรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยอย่างนี้แรงไปไม่ดนะีรู้สบายสบายรู้ด้วยจิตที่โปร่งโล่งเบาจิตที่สบายโปร่งโล่งเบานี่แหละคือจิตที่มีสัมมาสมาธิถ้านะเราฝึกนะจิตไหลไปเรารู้ไหลเรารู้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในตัวเอง ไม่ต้องทําอะไรมันเป็นผู้รู้มันเป็นผู้ตื่นมันเป็นผู้เบิกบานขึ้นมาเองเมื่อเรารู้ว่ามันลงไปคิดนะเพราะฉะนั้นเราฝึก <wright> รู้นะจิตลงไปคิดเรารู้หลงไปคิดรู้จิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วไม่หยุดเฉ ย, ยๆที่นี้สังเกตลงไปร่างกายนี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายเราเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนหายใจออกหายใจเข้านะเหมือนเห็นคนอื่นเลยดูเหมือนดูคนอื่นอย่างเราเห็นโยมนั่งนะ โยมก็เห็นหลวงพ่อนั่งอยู่นี่เรารู้สึกไหมเรากับหลวงพ่อคนละคนพวกเรามารู้ว่าหลวงพ่อนั่งอยู่นี่หลวงพ่อไม่ใช่ตัวเราละเป็นสิ่งที่ไปถูกรู้ร่างกายนี่เหมือนกันแทนที่จะต้องดูเห็นร่างกายคนอื่นเป็นของถูกรู้ถูกดูนะดูร่างกายตัวเองนี่แหละดูเหมือนดูคนอื่นจะเห็นว่าร่างกายอยู่ห่างๆออกไปนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะฝึกมากๆมันจะเห็นกายกับจิตแยกออกจากกันนี่คือการหัดแยกรูปแยกนามนะ พ ร, รุ่มนามแยกออกจากกันแล้วนั่งต่อไปอดทนหน่อยฝึกเบื้องต้นนั่งให้มันเมื่อยไม่ใช่นั่งเอาชนะความเมื่อยบางท่านท่านสอนให้เอาชนะความเมื่อยก็ดีเหมือนกันได้อะไรได้ขันตินะได้อธิฐานบารมีคือตั้งใจว่าจะนั่งโต้รุ่งก็นั่งได้จริงๆอย่างนี้ใจจะแข็งเข้มแข็งนะแต่ถ้าเราจะเอาปัญญานะเราไม่ได้นั่งแบบอย่างนั้นแนละ้วเราไม่ได้นั่งเอาชนะความปวดความเมื่อยไม่ได้เอาชนะความขี้เกียจคี้คลานเรานั่งดู เห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูฝึกนี้เรื่อยๆแยกรูปแยกนามก่อนนั่งไปนานๆความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นมันเมื่อยที่ไหนชมพูบอกเมื่อยที่ขามีคนไหนเมื่อยที่ไหนอีกมีไหมไม่เคยนั่งนานๆเลยหรอเมื่อยหลังไม่หลังนี่แสดงว่าเริ่มแก่แล้วหลังชักไม่ค่อยจะดีมีต้นไหนอีก เมื่อยมากที่สุดเลยเมื่อยใจขี้เกียจนะเอาเมื่อยกาย น, นั่งไปนั่งไปลองไปดูนะวันนี้ลองตั้งใจดูสักวัน น, <S <S นั่งนิ่งๆอยู่สักพักนะไม่กระดุกกระดิกแล้วนั่งไปดูเราจะเห็นว่าขาที่นั่งอยู่นี่ทีแรกมันไม่ปวดไม่เมื่อยนะความปวดความเมื่อยมันแอบเข้ามาทีหลังค่อยๆดูไปเราจะเห็นเลยว่าขานั่งอยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยนั้นแอบเข้ามาทีหลังเป็นคนละอันกับขา นะค่อยๆแยกนะเราจะเห็นเลยว่าความปวดเมื่อยกับขาเนี่ยคนละอย่างกันขามันอยู่ก่อนแล้วนะมันไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ความปวดความเมื่อยน่ะแอบเข้ามาทีหลังเนี่ยเราก็ดูเข้าไปคนปวดหลังหลังมันก็มีอยู่ก่อนแล้วนั่งไปนั่งไปแล้วความปวดมันแทรกเข้ามาในหลังหัดตัวอย่างนี้ในสุดเราก็จะแยกได้ว่าความปวดความเมื่อย ก, กับร่างกายนั้นเป็นคนละส่วนกันนะเนี่ยการเดินปัญญาณนะขั้นต้นเนี่ยต้องหัดแยกอย่างนี้แยกขันนั่นแหละ ร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยเป็นอีกสิ่งหนึ่งโคแล่นกันจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเราได้สามขันแล้เพราะมันปวดมากๆคราวนี้มันปวดที่ขานะแต่ความทุรนทุรายเกิดที่จิตเห็นไหมขาปวดมากๆจิตทุรนทุรายรู้สึกไหมชักห่วงและห่วงขาโอ้ลุกเถอะนั่งนานกว่านี้เป็นอมภาตยังไม่เคยเห็นใครนั่งกรรมาฐานเป็นอมภาตสักคนเลยนะ มีแต่ไปเต้นดิสโก้มากกระดูกเคลื่อนไปน้ามันพาดอะไรเงี้ยมีนะแต่นั่งกรรมฐานไปน้ามาพาดไม่เคยได้ยินนะลองนั่งไปนะมันปวดมันเมื่อยเราก็ดูไปร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยอยู่ส่วนหนึ่งความทุรนทุรายความกลัวความกังวลความไม่ชอบอกชอบใจเกิดขึ้นที่จิตไม่ได้เกิดที่ขาเนะเพราะฉะั้นความทุรนทุรายกับความปวดความเมื่อยกับขาเนี่ยคนละอันกันความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นที่ขานะความทุรนทุรายเกิดขึ้นที่จิต เราสังเกตต่อไปอีกจิตที่แรกไม่ทุรนทุรายนะอยู่อยู่ความทุรนทุรายแทรกเข้ามาในจิตแสดงว่าจิตกับความทุรนทุรายนั้นเป็นคนละอนกันเหมือนกับขานะขาอยู่เฉยๆความปวดความเมื่อยแทรกเข้ามาในขาความปวดความเมื่อยไม่ใช่ขาความทุรนทุรายก็เหมือนกันจิตอยู่เฉยๆความทุรนทุรายแทรกเข้ามาในจิตมันไม่ใช่จิตเราได้สี่ขันละอาการที่เกิดขึ้นที่จิตตัวนี้นะเรียกว่าสังขารนะเรียกว่าสังขาร หัดดูไปเรื่อยนะเราแยกขันเพราะแยกขันได้แล้วต่อไปเราจะพบความจริงขันแต่ละขันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจะเห็นเองนะจะเห็นได้เองเลยไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะอย่างร่างกายเราเห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนเราจะรู้สึกเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเคลื่อนไหวเห็นวัตถุธาตุตัวนี้เคลื่อนไหวไปไม่ใช่เราแล้วจิตมันเป็นคนดูมันรู้สึกร่างกายไม่ใช่เรา รู้สึกว่าร่างกายกับจิตเป็นคนละส่วนอยู่ห่างๆมีช่องว่างมาขั้นด้วยไม่ใช่อันเดนะียวกันเห็นความปวดความเมื่อยแทรกเข้ามาก็รู้อีกความปวดความเมื่อยก็ไม่ใช่ขาไม่ใช่จิตนะเป็นคนละอันกันความปวดความเา ม, มื่อยก็ไม่ใช่ตัวเรานี่เราภาวนาเพื่อให้เห็นนะว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ภาวนาเอาชนะอะไรสักอย่างเดียวเอาชนะความไม่รู้เท่านั้นแหละความไม่รู้ของเราสอนเราว่าขันห้าเป็นตัวเรานะรู้สึกไหมนี่คือเราทุกคนมีเราอยู่นะ นั่นแยกขันออกมาแล้วดูทีละขันทีละขันเราจะพบว่าแต่ละขันไม่ใช่เราทําไมต้องแยกนี่เป็นพุทธวิธีเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเรานะเป็นวิธีที่เรียกว่าวิพัฒชวิธีวอรแวนสระ อ, อีพอสําเภานะไม่หาอากาศชอช้างนะวิพัฒ ช, ชะแปลว่าแยกวิธีอย่างนี้จะทําลายความเห็นผิดว่ามีตัวตนถาวรมีตัวตนจริงๆ เปรียบนะสมัยโบราณครูบาอาจารย์สอนบอกเปรียบเหมือนเกวีย น, นเปวียนหนึ่งเล่มเรารู้สึกเปวียนมีจริงๆริงพถอดออกเป็นชิ้นชิ้นไม่มีเกวียน น, นี่เป็นล้อนี่เป็นกรงนี่เป็นกรำนี่เป็นแอกมาพูดตอนนี้ไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมใครรู้จักแอกเปวียนอยู่ตรงไหนใครนึกออกมีไหมใครรู้จักว่ากงอยู่ตรงไหนรู้จังไหมหลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันจําได้แต่ชื่อเดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนใหม่เหมือนรถยนต์หนึ่งคัน <c oughs> เรารู้สึกรถยนต์มีจริงๆใช่ไหม จับมันมาถอดเป็นชิ้นๆดูพวงมาลัยเป็นรถยนต์ไหมพวงมาลัยไม่เป็นรถยนต์แล้วใช่ไหมใครเห็นพวงมาลัยเป็นรถยนต์ก็เพี้ยนนั่นแหละใครเห็นลูกล้อเป็นรถยนต์บ้างใครเห็นฝาครอบล้อเป็นรถยนต์ใครเห็นพลาใครเห็นโช๊คใครเห็นเบรกใครเห็นคันเร่งใครเห็นเครื่องยนต์ใครเห็นถังน้ํามันเป็นตัวรถยนต์ใครเห็นกันชนเป็นตัวรถยนต์ไม่มีใครเห็นอย่างนั้น งั้นเราจับสิ่งที่เรียกว่ามีตัวตนนะมาแยกเป็นส่วนๆออกมานี่เรียกว่าวิพัตชวิธีแล้วจะพบว่าแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวจริงนะนะรถยนต์ว่ามีอยู่แต่พอจับถอดเป็นชิ้นๆพบว่าไม่มีรถยนต์สิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวตนว่ามีอยู่พอจับมาถอดเป็นชิ้นๆเหมือนที่ถอดรถยนต์เองก็พบว่าไม่มีตัวตนรถยนต์เราถอดเป็นอะไหล่ต่างๆนะเป็นเบรกเป็นคันเร่งเป็นล้อเป็นเพล่าเป็นพวงมาลัยอะไร เ, เนี่ย ส่วนสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเราถอดออกมาเป็นขัน5้าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายไม่ใช่เราความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ไม่ใช่เรากุศลอกุศลเช่นความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่เราตัวจิตที่เป็นธรรมชาติรู้ก็ไม่ใช่เราเดี๋ยวก็เป็นธรรมชาติรู้เดี๋ยวก็หลงไปคิดเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เพ่งมีแต่แปรปรวนตลอดเลยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวร นี่เป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนนะพวกเราต้องเรียนนะตัวนี้เป็นพุทธวิธีเป็นศาสต ร, ร์เฉพาะในศาสนาพุทธเท่านั้นที่อื่นไม่มีนะงั้นพวกเราถ้าเรียนตัวนี้ได้เราค่อยสมศักดิ์รีเป็นชาวพุทธหน่อยนะหัดแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆนะคาว่าส่วนๆในภาษาไทยแยกเป็นส่วนๆแยกเป็นกองๆองภาษาบาลีคําว่าส่วนๆกองกองนี่คือคําว่าขันนั่นเองใครเคยได้ยินคําว่าขันห้าฟังแล้วน่ากลัว ขันห้าจริ ง, รงๆก็คือ5ส่วนคําว่าขันนะั่นคือคำว่าส่วนคำว่ากองนั่นเองแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนส่วนเป็นกองกองนะเฉะั้นอย่างร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นะเกิดที่ร่างกายก็ได้นะเกิดที่จิตใจก็ได้นะถ้าเกิดที่ร่างกายก็มีสุขมีทุกข์ถ้าเกิดที่ใจนะมีสุขมีทุกข์แล้วมีเฉยๆยด้วยนะมีอุเบกขาได้ด้วยแยกออกไปนะเป็นความจำความจำได้หมายรู้ นะส่วนหนึ่งแยกออกไปเป็นความปรุงดีปรุงชั่วปรุงกลางๆไม่ดีไม่ชั่วนะเรียกว่าสังขารอีกส่วนหนึ่งแยกออกไปนะเป็นตัวรู้เป็นตัวจิตเรียกว่าวิญญาณอคติพอแยกออกไปแล้วแต่ละส่วนจะไม่ใช่ตัวเราเหมือนอะไรแต่ละชิ้นไม่ใช่รถยนตนะ์วิธีเดียวกันนั่นเองนะวิธีนี้เรียกว่าวิพัฒชวิธีนะพวกเราเรียนตัวนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเดินปัญญาทำวิปัสสนากรรมฐานเนะี่ยต้องมาแยกรูปนามก่อน หัดแยกขันเป็นส่วนๆเป็นกองๆนะแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเป็นส่วนๆร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจำได้ไหมหลวงพ่อสอนยังไงให้แยกร่างกายกับจิตออกจากกันทำได้ไหมจำได้เปล่าไม่ใช่ฟังเพลินๆนะนั่งเลยนั่งแล้วอย่า ก, กระดุกกระดิกนะนั่งแล้วก็คอยรู้สึกไปเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูนี่ค่อยๆฝึกนะร่างกายนั่งอยู่ใจเป็นคนดูหรือเดินก็ได้ร่างกายเดินอยู่ใจเป็นคนดู ร่างกายยืนอยู่ใจเป็นคนดูร่างกายหายใจออกใจเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้เรื่อยนะจะมีใจที่เป็นคนดูไม่จะแยกขันได้นะก็จะแยกกายกับจิตออกจากกันได้ได้สองขันเรียกว่ารูปขันกับวิญญาณขันเนะี่ยแล้วก็นั่งต่อไปด้วยความอดทนนะประเดี๋ยวก็ปวดประเดี๋ยวก็เมื่อยแล้วยิ่งแก่ๆยิ่งปวดเก่งนะยิ่งปวดเมื่อยเก่งแต่ถ้านั่งสมาธิมานานทั้งชีวิต น, นั่งแล้วสบายนะ หลวงพ่อเคยรู้จักครูบาอาจารย์องค์หนึ่งหลวงปู่สิ ม, ม์่ะชอบนั่งขัดสมาธิเพชรเรานั่งขัดเพชรแปบ๊บเดียวแข้งขาจะหักเลยท่านนั่งเฉยๆนั่งได้ตั้งหลายชั่วโมงเรานั่งไม่ได้นั่นท่านนั่งอยินงชินนะท่านบอกว่าให้ดูสิพระพุทธ ร, รูปเนี่ยท่านนั่งขัดเพชรมานานไม่เห็นท่านบ่นแต่องค์นี้ขัดราบนะหลวงพ่อไม่กล้านทาพระขัดเพชรทาขัดราบาพอๆแล้วนะ เนื้อค่อยๆหัดแยกไปนะจะเห็นร่างกายส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยส่วนหนึ่งความปวดใครเห็นความปวดเป็นตัวเราบ้างความปวดไม่ใช่ตัวเราใครเห็นความโกรธเป็นตัวเราบ้างเนื้อถ้าแยกออกนะมันจะไม่ใช่รู้สึกว่าเราโกรธแล้วจะเห็นความโกรธเป็นแค่สิ่งสิ่งหนึ่งเป็นสภาวะอันหนึ่งไหลมาแล้วก็ไหลไปหัดแยกไปเรื่อยนะธรรมชาติรู้เรียกว่าจิตก็ไม่ใช่เราหรอกเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งความรู้สึกว่าเป็นเราเกิดจากความคิด จิตมันหลงไปคิดนะแล้วก็ไปสําคัญมั่นหมายอาศัยสัญญาสัญญาไปสําคัญมั่นหมายว่านี้แหละเรานี่แหละเราอาศัยความคิดมาหลอกลวงนะสัญญาก็หลอกซ้ําเข้าไปอีกทีเสร็จเลยคราวนี้มีเราขึ้นมานะงั้นจริงๆไม่มีเราหรอกความเป็นเราเกิดจากการหมายรู้ผิดๆสัญญาที่ผิดๆนะแล้วเราค่อยฝึกดูของจริงไปด้สังเกตไหมกรรมฐานท่านสอนให้ดูรูปดูเวทนาดูสังขารดูจิตนะสอนอย่างนี้นะ ไม่ค่อยสอนให้ดูสัญญาสัญญาเป็นตัวหลอกลวงดูยากเป็นตัวปลิ้นปล้อนหลอกลวงเหมือนผีหลอกเราเลยถ้าเราดูขันตัวอื่นจนไปจนเห็นเลยไม่มีเรานะสัญญาหลอกไม่ได้อีกต่อไปแล้วสัญญาไม่มีความหมายแล้วเองหลอกก็หลอกไปนะเรารู้เลยว่ามันแค่หลอกไม่มีจริงหรอกนะสัญญาก็ไม่ใช่คนอีกแล้วนะงั้นเราดูลงมาในร่างกายนะดูไปที่ความรู้สึกเจ็บปวดร่างกายไม่ใช่เราความรู้สึกเจ็บปวดไม่ใช่เรานะ พอปวดมากๆก็เปลี่ยนอิริยาบถความเจ็บปวดหายไปเกิดความสุขความสบายขึ้นมาดูไปอีกความสุขสบายก็มยมไม่ใช่เราอีกนะต่อไปก็ดูเข้ามาถึงจิตใจใชจิตเป็นกุศลก็รู้จิตเป็นอกุศลก็รู้กุศลไม่ใช่เราอากุศลไม่ใช่เราตัวจิตที่เป็นตัวรู้ก็มไม่ใช่เราเป็นเราขึ้นมาเพราะว่าไปคิดเอานะแล้วสัญญาเข้าไปหมายผิดผิดถ้าไม่หลงไปในโลกของความคิดตัวเราไม่มี นี่ฝึกอย่างนี้เรื่อยไปในที่สุดนะวันหนึ่งปัญญามันแจ้งขึ้นมาตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีนะมีแต่ขันห้าซึ่งขันห้าก็ทําหน้าที่ของมันไปขันห้าแต่ละขันมีเหตุมันก็เกิดขึ้นมาหมดเหตุมันก็ดับไปบังคับไม่ได้ขันห้าแต่ละขันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่สภาวะธรรมอย่างหนึ่งนะมีแล้วก็หายไปมีแล้วก็หายไปจะเห็นอย่างนี้นะจะพบว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถานบอล ตัวเราไม่มีถ้าใครเห็นแจ้งอย่างนี้ได้เป็นพระโสดาบันเพราฉนั้นอยากเป็นพระโสดาบันนะอย่าลืมแยกขันห้าแล้วดูขันห้าแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่มีตัวเรานี่เป็นทางอันหนึ่งเท่านั้นนะถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ทํายากแล้วไม่รู้จะทํำยังไงบางคนที่เขาเรียนอนภะิธรรมม า, ามออก็มีทางอื่นอีกนะเช่นดูอินทรีย์ดูอะไรเล่นยากนะดูธาตุเนี่ยไม่ใช่เล่นง่ายนะธาตุนะถ้าไม่ทรงฌานจริงๆดูธาตุไม่ออกหรอกนะ จิตไม่ทรงฌานนะยกตัวอย่างง่ายๆนะเดินจงกรมใครจะดูออกบ้างว่าเวลาที่เหยียบลงไปเนี่ยธาตุดินเพิ่มขึ้นในขาในน่องเวลายกขึ้นธาตุดินน้อยลงเวลาเคลื่อนไปเนี่ยยเลื่อนเท้าไปธาติลมเพิ่มขึ้นเนี่ยดูไงอ่ะแค่ฟังก็งงจะตายละแยกขันไปก่อนนะง่ายที่สุดละนะดูไปเถอะแยกมันเข้าไปแยกขันมันเข้าไปนะง่ายๆดูเข้าไปขันแต่ละขันไม่มีเราหรอก ในที่สุดก็รู้ว่าไม่มีเราแต่ถ้ามันรวมนะเป็นองค์รวมเมื่อไหร่มันมีเราและ้นะเหมือนมีรถยนตนะ์เอาอะไรมารวมกันแล้วมีรถยนต์จับแยกแล้วไม่มนะีดูลงไปในสุดเห็นว่าไม่มีเราไม่มีเราเป็นพระโสดาบันนะงั้นใครอยากได้นิพพานทําบุญแล้วสาธุนิพพานปัจจโยโหตุขอให้ได้มรรคผลนิพพานขอไงก็ไม่ได้หรอกนะมาหาดแยกธาตุแยกขันเข้านะมีโอกาสแต่จิตจะแยกธาตุแยกขันได้จิตต้องตั้งมั่นก่อนนะ จิตตั้งมั่นได้นี่ต้องฝึกนะจิตไหลไปเรารู้ไหลไปรู้จิตจะตั้งขึ้นมามีสมาธิตื่นขึ้นมาถ้าจิตไม่ตื่นไม่เดินปัญญาไม่ได้แยกธาตุแยกขันธ์ไม่ออกน ะ, ะเชิญไปทานข้าวหลวงพ่อนึกว่าวันนี้หลวงพ่อจะสบายนึกว่าโยมน้อยติดเคอร์ฟิวนี่หมดเลยครับนี่หมด